มันสรุปว่าถ้าเป็นเดรชะเนี่ยพระองค์บอกว่าเหมือนตกลงไปในหลุมคูดเนี่ยนะหลุมอุจจระแล้วก็บางทีพวกหนอนเนี่ยมันก็เกิดในหลุมอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละท่านก็ปฏิปทาข้อปฏิบัติเนี่ยนะอย่างพระ อ, องค์เห็นวัสการพรามพูดกับพระมหากัจจยนะ อ, องค์บอกเลยนี่วัสการพรามขอโทษกัจจายนะนะถ้าไม่ขอโทษจะเกิดเป็นลิงนะจะเกิดเป็นลิง วสการพรามแกไม่ยอมไม่ยอมในที่สุดก็เกิดเป็นลิงจริงๆแล้วก็หลายหลายเหตุการณ์ที่พรงพยากรณ์ว่าเนี่ยอย่างเช่นคติสองของมิจฉาทิฏฐิก็คือนรกกับเดราชานเนี่ยนะเพราะถ้ายัางอนุรักษ์มิจฉาทิฏฐิเอาไว้เนี่ยนะยินดีที่จะเห็นผิดะน ะ, ะมีความเห็นผิดเป็นเบื้องหน้าไอ้ความเห็นผิดนั่นแหละเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกคติวินิบาตและนรกหรือเกิดเป็นสัตว์เดราชานเนี่ยนะ มันก็ต้องถ้าพูดถึงเดราชานเนี่ยเราทําบุญอะไรไว้บ้างเวลานึกถึงเดราชานแล้วก็ไปดีทําไงดีก็มาบางทีชอบคิดถึงปลาบ่อยเหมือนกันเลยก็ต้องให้อาหารปลาไว้บ้างกันเลยไม่งั้นเดี๋ยวเดือดร้อนนะเพราะอะไรนึกถึงอาจจะได้นึกถึงทานต่อไปบ้างอนะจะได้เลยไปหาทานเลยไปหาศีลเลยไปหาภาวนาเจริญเมตตาไว้ให้พวกนั้นให้มาม า, มากๆหน่อยนะนะเวลานึกถึงพวกนั้นแวบขบึ้นมาปลา ปลาช่อนไปหมอก็นึกถึงอะไรนะหม้อไฟปลาเผาปลาปิ้งอะไรเงี้ยครับเด๋ยดร้อนแน่แต่ถ้านึกถึงเอาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเกี่ยวกับปลาทั้งหลายก็ ย, ยังช่วยหน่อยนะท่านเราก็ต้องสแสวงหาโอกาสเจริญหาอะไรเป็นเกราะหาอะไรเป็นกำบังเนี่ยนะเครื่องที่จะช่วยให้พ้นจากอบายไม่อย่างนั้นเนี่ยจะลําบากเนี่ยนะเดี๋ยวจะกลับไปปล่อยปลาบ้างนั่นกันนะก็ได้นึกวเออเราก็ปล่อยไว้บ้างแล้วนะ เมืาก่อนยอมเขาพาปล่อยทิ้งกะละมังใช่ไหมปล่อยทิ้งสิบกิโลไงบอกว่าปล่อยไหมบอกว่าเวลานึกถึงเราก็จะได้เนี่ยคือเราห้ามไม่ให้คิดถึงปลาได้ไหม ย, ยากเพราะวันๆหนึ่งเดี๋ยวคนนั้นก็พูดถึงปลาให้เราคิดใช่ไหมเดี๋ยวคนนี้ก็พูดถึงเดี๋ยวคนนั้นก็พูดถึงเดี๋ยวก็อาหารเป็นปลาเดี๋ยวก็นึกถึงเอาไพล่ไปนึกถึงบาปที่ทําไว้แล้วนี้ปเก็บบาป พ, พวกนั้นไว้ไหนดีกันนี้่ยมันก็ต้องเจริญอะไรให้เป็นเกราะเป็นกําบังเอาไว้ให้ดีๆเหมือนกันนะไม่อย่างนั้นเนี่ย อย่าคิดว่าปลามันน้อยนะยมเนี่ยท่าร้ําอะไรนะวัดเทวราชกุญชรเนี่ยไปดูเหอะเพราะมาว่าเอาเนี่ยสิบล้อบรรทุกไปคันหนึ่งไม่รู้จะพอกินหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้ว่าปลาเนี่ยพอกินหรือเปล่ามันเยอะจริงๆอ่ะนะแล้วก็เนี่ยตลอดเส้นทางแม่น้ําเจ้าพย า, ยามันมีอีกวัดหนึ่งที่นนทบุรีนั่นน่ะอ่นะตรงนั้นเนี่ยปลาก็เยอะจริงๆวัดอะไรนะอ่าวัดเฉลิมพระเกียรตนะินั่นน่ะ ท่าน้ำวัดเฉลิมพระเกียรตินั่นก็คนไปเถอะสิบล้อหนึ่งก็ไม่พอกินนะว่างปลามันเยอะจริงๆเลยนะวัดท่าน้ำเทวราชกุณชร อ, อีกหลายแห่งเนี่ยนะที่ปลาจำนวนมหาศาลไปที่ต้นแถวแถวบริเวณต้นโพลนึกว่าจะน้อยลงที่ไหนได้ไอ้ข้างๆต้นโพลมีสาเรียกว่าสามุชิลินจำลองลนะั่นแหละนั่นเทอะไรลงไปก็หายต๋อมปลาดุกเบิ่มเลยนะงั้นก็ต้อง คือถามว่าเราเราคิดว่าเราจะพ้นเดรัจฉานได้อย่างไรอันถ้าหากว่านึกถึงพวกปลาเป็นต้นเนี่ยนะถ้านึกถึงบุญที่ตัวเองทําไม่ได้เลยจะไปไหนนีนะของของโยมโยมเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้ามูลนิธิ เ, เขาก็ไปทําท่าปลาเอาไว้เนี่ยนะเอาไว้ปล่อยปลาเอาไว้เลี้ยงอาหารปลาบอกเออดีดอนุโมทนาด้วยเนะี่ยนะเกษตรเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ปล่อยเลี้ยงปลามาเ ง, างี่นะดีดี ด, ดีเห็นด้วยที่เชียงใหม่้น มันถ้าหากว่าไม่ไม่เจริญกุศลเอาไว้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันถ้าเรารู้ไม่รู้หลงไปอยู่ฟูงไหนก็ไม่ทราบนะไปเป็นปลาเผ่าไหนก็ไมร่รู้นี่ยนะทะเลลึกก็ไม่ใช่ว่าปลาน้อยๆเลยนะแล้วก็ถ้าใครดูโลกใต้น้ําโลกใต้ทะเลด้วยจะรู้ว่าปลาในมหาสารสัตว์น้ํามากกว่สาสัตว์บกเยอะเนี่นะแล้วจํานวนปลาที่อยู่เนี่ยนะอันนี้แม่น้ําเจ้าพยาแล้วแม่น้ําคงคาละ่ะแล้วแม่น้ําโขง่ะตลอดเส้นทางเนี่ยนะแล้ว ทะเลน้ําจืดหรือว่าทะเลน้ําเค็มเนี่ยปลามหาศาลเลยมันถ้าถ้าหลุดไปสู่อบายแล้วทํำยังไงได้เกิดเป็นปลาเนี่ยมันก็ยิ่งกว่าคุกอีกนะไม่รู้จะเยี่ยมกันยังไงนะไปเยี่ยมปลาเนี่ยนะไปช่วยให้ปลาเออรู้เออเธอไปอบายแล้วนะกลับมาจากอบายเธอไม่รู้จะไปโปรดปรานกันยังไงเหมือนกันนะเอางี้ว่า ก, การใครที่รักสุนัขเลี้ยงสุนัขช่วยสุนัขตัวที่เลี้ยงให้มันไปสุขติได้ไหมนะจะทํำยังไงเอ่อให้มันไหว้พระที่โลก สอนธรรมะให้มันสวดมนต์ให้มันฟังงี้เหรอนี่ง่ายเหมือนกันนะไม่ใช่ของง่ายเลยอ่ะมันถ้าไปเกิดเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยที่เป็นอบายเลยยากแม้แต่มาเป็นมนุษย์ให้จิตเป็นกุศลอย่างอย่างไม่ง่ายเลยว่างั้นนะอย่างไม่ง่ายแต่ที่นี้ว่านี่แหละสุขทางแห่งสุขติกับทางแห่งทุกคติอันนี้เราต้องเป็นเป็นเรื่องของเราเองที่เราไปเนี่ยนะเพราะเราเองก็ทุกคนก็มีด้วย มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปนั่นแหละเป็นกรรมของเราพระพุทธเจ้ารู้นะว่ากรรมอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ผลอย่างนี้ที่ได้รับขณะนี้มาจากเหตุอย่างนี้องค์ก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะผลชะรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยการเกิดการเกิดก็มาจากกรรมกรรมก็มาจากกิเลสถ้าปรารถนาจะสิ้นกิเลสก็ปฏิบัติตามมารยาทเพื่อ สิ้นกิเลสถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นกําจัดกิเลสได้แล้วกรรมก็เป็นอันสิ้นไปเมื่อกรำสิ้นแล้ววิบากก็เป็นอันหมดสภาพเนี่ยนะก็อันหมดสภาพพระองค์ก็สอนวิธีเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแต่เขบอกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยเจริญยากยากเขามาว่าน่าจะง่ายกว่าอยู่ในวัฏฏะเยอะเนี่ยนะถ้าเทียบกับแม้เราต้องเรียนวิชาในวัฏฏะนี่มันเรียนยากนะวิชาอยู่ในวัฏฏะเนี่ย ไม่ใช่เรียนง่ายๆนะจะต้องไปเรียนวิชาปานาติบาฝึกตั้งแต่กฝึ ก, กัแทบไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยนะฝึกเพื่อไปให้เขาฆ่าย่างอย่างกลุ่มอะไรนะกลุ่มทหารเมรกายโอ้ยฝึกฝึกแทบตายที่ประเทศตัวเองแล้วเพื่อจะบินมาตายเนี่ยที่อิรักอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าฝึกกันง่ายๆนะกว่าจะได้มาเขาส่งมาอย่างนั้นไม่ใช่ง่ายฝึกมาแป๊บเดียวตายตั้งแต่ต้นต้นเรื่องแล้วว่างนั้นเถอะ เพเราก็้าไปเห็นว่าเออเนี่ยทำเพื่อทําไมอันวิชาในวัฏะไม่ใช่จะอยู่กันง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่ว่าทำชาติเดียวแล้วจบเลยไม่ใช่ชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าเหมือนทําเล่นอยู่ตลอดเวลามันจริงจังมากเลยนะตอนนั้นเพราะเหมือนเหมือนฝันอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่มันก็จะว่าไม่มีมันก็ไม่เชิงอะนะมันก็มีบุญมีบาปว่างั้นเถอะมีตราแห่งบุญตราแห่งบาปติดตัวไปเรื่อย นั้นก็ต้องสังบรอลจะต้องระวังเนี่ยนะฮะเกาะหาที่กําบังหาที่พึ่งพู้ทางสารานังค้าฉามีนี่แหละเป็นที่พึ่งในเบื้องต้นทำมังสังคังสารานังค้าฉามีแล้วพระพุทธเจ้าแนะนําว่ายังไงว่าอย่างนั้นไปก่อนเนี่ยนะมันเรก็ต้องมีสาระนีนะมีสาระมีที่พึ่งก็บอกว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้บอกอูย้ยเอาแต่ศรัทธาไม่เอาปัญญาเลยนะเอาแต่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าคาะพระพุทธเจ้าแล้วโง่เนี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่างั้นเถอะ อันนั้นก็ขอยืนยันย้าอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเจริญพุทธานุสติก็โง่แล้วก็หมดแล้วหมดกันว่างั้นน่ะนะมันก็จริงๆแล้วมันก็สุดยอดแล้วว่างั้นน่ะเรียนพระธรรมเนี่ยนะมีศรัทธาในพระธรรมแล้วก็ยังชลาเอ่ยังเคล้าอยู่นั่นแหละมันก็หมดแล้วว่างั้นน่ะสานวนว่าแม้จบทุกสถาบันในโลกเนี่ยนะแล้วก็บอกหาหาไม่พอเลี้ยงชีพหาไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงทองมันก็แสดงว่าหนักหนาแล้วล่ะมันก็เหมือนกับอย่างที่ว่าอ่ะ เนี่ยถ้าใช้แสงดวงอาทิตย์ส่องแ ล, แล้วแล้วยังบอกว่ามันไม่ค่อยสว่างเนี่ยนะมันก็ถือว่าตาไม่ดีแล้วล่ะไม่ใช่อยู่ที่แสงไม่พอชั้นใดก็ดีขอให้เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเถอะเขาบอกว่าปัญญินีเนี่ยเจริญด้วยอาการสามอย่างหนึ่งคบคบคนมีปัญญาสองละเว้นจากคนไม่มีปัญญาพิจารณาพระธรรมเป็นที่ตั้งแห่งปัญญามีขันอาญตนะธาตุเป็นต้นในโลกนี้ใครจะฉลาดเท่าพระพุทธเจ้า คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเลื่อมใสพระพุทธเจ้าบ่อยๆมันก็ฉลาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ชื่อคบพระพุทธเจ้าก็ห่างกับคนโง่ทั้งหมดนั่นแหละแล้วใครสอนเรื่องลึกซึ้งอ่ะคิดถึงพระพุทธเจ้าปอนไปดาวดึงพร้องสอนอะไรละ่ะคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ยิ่งจะมีปัญญามากขึ้นขนาดนั้นเลยไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยนะแต่วางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเป็นแต่ออเป็นมีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาอวิชชาของตัวเองต่างหากเราเนี่ยนะ คือมันไม่เป็นไปตามอาวิชาที่ตัวเองนั้นขีดเขียนเอาไว้กาหนดร่องรอยเส้นทางของตัวเองนันก็ต้องพยายามทบทวนให้ดีนะว่าเราในฐานะผู้ศึกษาในความเป็นสาวกเนี่ยจะต้องพยายามเดินตามเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าพึ่งไม่ได้คอยว่าอีกทีหนึ่งถ้าพึ่งพระพุทธเจ้าได้ขอพึ่งพระพุทธเจ้าไปเถอะ พระองค์ไม่หลอกเราหรอกมันพระองค์ผู้มีความบริสุทธิ์เช่นนี้แล้วอะ่ะจะหลอกลวงสาวกด้วยธรรมเทศนาไปทําไมพระองค์ไม่หลอกลวงเราหรอกเพราะฉะนั้นทํายังไงเราจะได้ศึกษาและปฏิบัติเรียนรู้ตามเจริญตามพระองค์นั้นดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจริงถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องอ้างพระพุทธเจ้าสิอยากทำอะไรก็ทําไปเลยไม่ต้องอ้างพุทธศาสนาไม่ต้องอ้างพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ว่ากัน่ะนะ คือถ้าจะเอาบอกว่าถ้าไม่อ้างอิงพระพุทธเจ้าเลยจะขอเป็นตัวของตัวเองเป็นนักปรัชญานักวิชาการนักอะไรก็ช่างเหอะแต่ว่าไม่ใช่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะอัน้นถ้าหากว่าเราปรารถนาความปลอดภยัยเราก็ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักกรนี่นะคือคืออย่างที่กล่าวเมื่อวานอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าเรานับถือท่านได้เฉพาะชาตินี้แหละชาติหน้าถ้าจะยากแล้วละ่ะเพราะไปอยู่บางประเทศเนี่ยเออเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้นะ ในโลกนี้ประเทศที่เอ่ยชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้มีตั้งหลายประเทศแม้แต่รูปเขาพระพุทธรูปเขาไม่ให้เอาเข้าประเทศเขาเลย น, นะเขาตรวจเลยถ้าไปรู้ว่าเป็นหนังสือคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่ให้เอาเข้าประเทศของเขาเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเกิดในประเทศนั้นถูกปิดหู ป, ปิดตาสนิทเลยว่างั้นเด้อโอกาสที่เราจะได้นับถือพระธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย น้อยมากโอกาสน้อยจริงๆเนี่ยนะถึงจะมีโอกาสได้นับถือก็นับถือแบบคนเปื้อนทิฐิมาแล้วละ่ะเพราะว่ากลิ่นอายของทิฐิที่เราสถานที่ที่เราเกิดเนี่ยมันติดมาเยอะนะประเพณีวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดแล้อมมันกลมกลาเราให้เป็นไปตามลทัทธิเหล่านั้นและพื้นเพลลัทธิเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะจะมาเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะเรามีความเห็นเป็นอื่นมีความเห็นคนละด้านกับ พระพุทธเจ้าถึงเราอยากจะเห็นตามแต่มันคิดไม่เหมือนกันพอคิดไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้อย่างหลายคนก็บอกพระตไตรปิฎกเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเข้าใจยากที่จริงที่ยากเนี่ยเพราะเราคิดไว้กันคนละเรื่องกับพระพุทธเจ้าพาคิดนะเราพูดคนละเรื่องกับที่พระพุทธเจ้าพาพูดเราทําคนละอย่างกับที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติทีนี้วิธีการง่ายที่สุดก็บอกว่าทําตามไม่ได้อาาันะทําตามไม่ได้จริงเพราะเราไม่อยากจะทําตามนะ งั้นที่บางคนเขาออกมาต่อต้านบอกวิสุทธิมรรคปฏิบัติตามไม่ได้หรอกก็ว่างั้นถ้าปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคไม่ได้แล้วของใครปฏิบัติตามได้ล่ะเนี่ยนะเราเอามั่นเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจมันเราพยายามทบทวนในเรื่องสาระคมนี้ให้แม่นๆ่นเลยนะเฉพาะใครที่คิดว่าเบื่อหรือเกินรังเกียจชิงชังอึดอัดนะเห็นโทษทิษภัยของโรกเปรดอสุรกายและเดรชาล์นเครื่องป้องกันอบายเหล่านั้นก็คือพระรัตนะไตรเท่านั้นเองเนี่ยนะ ผันผู้ที่มีศรัทธานี่แหละเป็นต้นเนี่ยจะพ้พนจากอบายเนี่ยนะถ้าศรัทธาที่บริบูรณ์ก็แปลว่าศีลดีพ้นจากอบายถ้าหากว่าเห็นโทษในการมมพบ ก, ก็นี่แหละที่มาของสมถะทั้งหลายให้ดีจะได้ก้าวล่วงกามมาพบถ้าปรารถนาจะล่วงพ้นวัฏทุตุกทั้งปวงก็ต้องศิกขาสามบริบูรณ์ถ้าสิกขาสามบริบูรณ์ก็ออกจากวัฏทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยนะอันพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จักทางเป็นอย่างดีว่า ไหนคือทางไปสู่นรกอันไหนคือทางไปสู่เดราชานี่เปรตมั่งดูก่อนสารีบทเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าอนวัตใจดูแล้วว่างั้นเช็คตรวจสอบใจดูแล้วว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนี้ดาเนินอย่างนั้นเนี่ยนะขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงเปรติวิสัยเกิด เ, เป็นเปรตแน่นอนว่างั้น โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งปิติวิสัยสวยสุขสวรรทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยที่พระจักษุอันบริสุทธ์ล่วงจักษุของมนุษย์ตอนแรกนี่ตรวจดูใจแล้วละ่ะอันนี้เปรตแน่นอนในที่สุดก็เห็นว่าเป็นเปรตจริงๆด้วยดูก่อนสารีบรเปรบเหมือนต้นไม้ที่เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาเนี่ยโปร่งก็มาเคยเคยไปพักภูเขาบางลูกเนี่ยนะภูเขาบางลูกที่ว่าไอ้ภูเขาเนี่ยมันต้นไม้มันก็น้อยอยู่แล้วและต้นไม้แต่ละต้นมันก็แทบไม่มีใบอยู่แล้วมันกรนก็เรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงอ่ะนะฉันใดนี่ก็เหมือนกันเป็นต้นไม้ที่มีเงาที่โปร่งมากลําดับนั้นบุรุษผู้มีเนื้อตัวอันถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้ะทานหิวระหาย มุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจกักษุเห็นเขาแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นั้นทีเดียวสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจกักษุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดดูก่อนสาริบุตร เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉะนั้นเหมือนกันแลวว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงเปรติวิสัย